สองอยหกสิบอนอุเขปนิยกรรมะปฏิปัสสติกถาว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ448ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัต แล้วกลับประพฤติชอบหายเยื่อยิ่งกลับตัวได้ขอระ ง, งับอุคเขปนยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ์ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ์แล้วกลับประพฤติชอบหายเยื่อยิ่งกลับตัวได้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 ระงับอุกเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับอุกเคปนิยกรรมเพราะไม่เห Tal, ็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูประงับอุกเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยธรรมปฏิรูป